พระบัญญัติหนก็ภิกษุณีใดไม่บอกสงฆ์หรือคณะจะให้บง่งให้ผ่าให้ชะล้างให้ทาให้พันหรือให้แก่ฝีหรือบาดแผลที่เกิดในร่มผ้าอยู่กันสองต่อสองกับชายต้องอวดปาจิตตีเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งจบ